นาคทั้งหลายนะบวชมาคราวนี้ให้ศึกษาเรื่องของใจที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาทดสอบทดสอบท ด, ท ด, ท ด, ทดลองอยู่ทั้ง6ปีผลที่สุดก็มาลงมาถึงใจแกล่าวขึ้นเป็นพรมบรีมนโนปุปพังขามาธรรมานะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นใจคํานี้แหละมันมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิง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 ก็ไใหพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้หมาดูใจนะใจนี่แหละเป็นเรื่องใจนะเป็นเรื่องใหญ่แต่เครื่องอย่างอื่นก็เอาทำเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราก็ต้องทําไปด้วยรักษาไปด้วยเราจะไปรักษาแต่ใจอย่างเดียวก็ยิ่งดีแต่ว่าการอยู่เรารักษาอย่างนั้น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 อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้า พ, พวกเราเข้ามาบวชแล้วกั น, นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินในเมื่อรักษาสินเป็นสินแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเกิดปัญญากับนำมาพิจารณาหาหลักเหตุผลก็ชาระกิเลสราคะโทสะออกจา ก, กจิตใจได้ง่าย เพราะว่าเรามีปัญญาวิปัสนาปัญญานะเนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะะต่อนนี้ไปก็เปิดเทป m p 3พวกเรานั่งคัดสมาธิฟังนะตอนนี้นะ